ภาพแห่งชีวิตของโอปาปาติกะจากเรื่องํำเนิดสี่ดังที่อ้างมาท่านจะเห็นได้ชัดว่าตามหลักวิชาของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้มาด้วยการสะส้คือด้วยการรู้แจ้งเห็นทิงด้วยตนเองไม่ใช่ได้มาด้วยการจำหรือรอบตำรามาจากคนอื่นได้ชี้ยเห็นแล้วว่า ผีและเทวดาเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงๆเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ผีสางนางไม้เทวดาพรมตลอดทั้งพวกเปรตและพวกอบัยภูมิอื่นๆทั้งหมดทางพระพุทธศาสนารวมเรียกว่าพวกโอปปะปิติกาผู้ที่ตายไปเกิดเป็นโอปปะปิติกานั้นถือว่าเป็นชีวิตที่เกิดใหม่ ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ยังไม่เกิดความจริงเขาเกิดแล้วคือเกิดเป็นโอปปาติตาชีวิตในแบบของคนและสัตว์จะเกิดมาได้ต้องอาศัยบิดามารดาอาศัยการผสมพันอาศัยธรรมชาติอาศัยอาหารเป็นชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยวัตถุต่างๆมีน้ำหนักมีขนาดจากัดตามแบบของตน กินเนื้อที่ตายแล้วมีซากเหลืออยู่ส่วนชีวิตของโอปปติกะทั้งหลายตรงกันข้ามจากนี้กล่าวคือชีวิตของโอปปติกะทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยอํานาจการบรรดาลของวิญญาณด้วยอํานาจการปรุงแต่งของกรรมการเกิดของโอปปติกะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องอาศัยการประสมพันธุ์ ไม่ต้องอาศัยธรรมชาติไม่ต้องอาศัยอาหารในลนักษณะอย่างเดียวกับมนุษย์และสัตว์อาหารในโลกของโอปาปติกะเกิดจากความคิดซึ่งบางพวกอย่างรับประทานอะไรอาหารนั้นก็เกิดทันทีแต่บางพวกต้องอาศัยผู้อื่นทำบุญไปให้หรือเส้นสวงบุญชาให้เพราะชีวิตของโอปาปติกะ ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวัตถุธาตุต่างๆเหมือนกับมนุษย์และสัตว์โอปปปติกะตายแล้วไม่มีซากเหลืออยู่แต่โอปปะปติกะทั้งหลายก็มีรูปร่างอวัยวะต่างๆซึ่งเมื่อมองดูจากภายนอกจะเห็นว่ามีครบทุกอย่างมีมือมีขามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างเดียวกับมนุษย์และสามารถจะรู้อะไรได้อย่างมนุษย์เช่นมนุษย์เห็นอะไรซึ่งสิ่งที่เห็นนา้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรพวกโอปปติกาก็เห็นตรงกับที่มนุษย์เห็นในเรื่องเสียงกลิ่นรสและสัมผัสก็สามารถบอกได้อย่างเดียวกับมนุษย์และสวมเสื้อผ้าแต่งตัว แต่บางพวกไม่สวมเสื้อผ้าก็มีทั้งนี้สุดแล้วแต่ใครจะทากรรมมาอย่างไรรูปร่างของโอปปะปิกะไปจากชีวิตในโลกนี้กล่าวคือเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตนเองมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปะปิกะโดยมากก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้น แต่เรื่องนี้ไม่ค่อยแน่นักเพราะได้กล่าวมาแล้วว่าชีวิตของโอปาปติกาเกิดขึ้นในหนาาการบันดาลของวิญญาณและกรรมฉะนั้นซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปได้หลายอย่างโลกของโอปาปติกาคล้ายกับโลกของความฝันโลรดเข้าใจให้ดีว่าคล้ายเท่านั้นไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่างเช่น เวลาเรานอนหลับแล้วฝันภาพของตนเองและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในความฝันนั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดเวลาภาพนั้นหายไปก็หายไปทันทีทุกอย่างในความฝันเกิดจากความนึกคิดทั้งสิน้นคนเราเมื่อตายแล้วถ้าไปเกิดเป็นโอปปาจิกะก็จะเป็นเสมือนเรานอนหลับแล้วฝันไป กล่าวคือพอสิ้นใจวิญญาณในชีวิตนี้ดับก็จะปรากฏว่ามีตนเองเกิดขึ้นทันทีคล้ายกับฝันไปทางรูปร่างและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่สภาพของวิญญาณก่อนจะสิ้นใจนั้นเป็นอย่างไรและนิสัยสัญญานเป็นอย่างไร คนที่ทำกรรมดีไว้มากมีนิสัยสันดานดีนึกคิดแต่ในทางดีอยู่เสมอสิ่งที่ปรากฏภายหลังจากตายในโลกของโอปปะติกะจะมีแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าทำกรรมชั่วไว้มากอำนาจแห่ความชั่วที่มีอยู่ในสันดานจะบันดาลดาให้เกิดแต่สิ่งที่เลวเลวเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันร้ายชะนั้น แต่อย่างไรก็ตามชีวิตของโอปปติกะทั้งหลายแม้ว่าจะมีอะไรหลายอย่างเหมือนกับภาพในความฝันก็ตามแต่ก็อย่าลืมว่าชีวิตของโอปปติกะเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงๆสามารถจะรู้อะไรๆ ไ, ได้เหมือนกับมนุษย์และที่สาคัญก็คือ สามารถติดต่อกับมนุษย์เราได้พูดจากันได้เห็นกันได้ถ้าเราได้ฌานขั้นสูงก็สามารถจะเข้าสมาธิไปติดต่อกับเขาได้ บทที่แสดงให้เห็นว่าสภาพแห่งชีวิตของโอปะปะติกามีอยู่อย่างไรในโปรดภะปาทสูตรซึ่งมีอยู่ในคำพีพีขณิกาสีละขันธวั์ท่าใปิดกเล่มที่9ก้าหน้า241มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ดูกระระโปรธภบาท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 อัตตปฏิลาโพ 3. าการได้อัตตาที่ไม่มีรูปอรูปโออัตตปฏิลาโพ 1. โปฎบาทการได้อัตตาที่อยากเป็นชนหนอัตตาใดซึ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสี่ริภคกะวะลิงการาหารกะวะลิงการาหารหมายถึงอาหารทุกชนิดที่คนกินได้ ตามสับแปลว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำสำหรับใส่ปากการได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่ยาก 2. การได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นชไหนอัตตาใดซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจสามการได้อัตราที่มีมีรูปเป็นชนไหนอัตราใดไม่มีรูปเป็นอัตราที่สำเร็จด้วยสัญญาการได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่มีมีรูปข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า สิงที่เรียกกันว่าเป็นอัตานันโดยปกติมีอยู่สมอย่างคือ 1. อัตตาที่หยาบซึ่งได้แก่ร่างกายของคนเรา 2. อ, อัตตาที่สําเร็จด้วยใจซึ่งได้แก่กายทิพย์หรือรูปร่างของโอปปติกะทั้งหลายผู้ที่มีกายทิพย์หรือที่เรียกในที่นี้ว่าอัตตาที่สําเร็จด้วยใจนั้น ก็ได้แก่พวกที่เกิดในอวัยภูมิีคือนรกเปรตอสุรกายเดรัฉานเดรัฉานที่เป็นโอปาปติกะก็มีและพวกที่ไปเกิดเป็นธรรมดาและรูปประพงในภูมิต่างๆ 3. อัตตาที่ไม่มีรูปซึ่งได้แก่พวกที่ได้อรูปประชานตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพง เฉพาะข้อที่สองที่กล่าวถึงอัตราที่สำเร็จด้วยใจนั้นขอท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตข้อความที่เป็นพุทธพจน์ให้ละเอียดเพราะวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้และการแสดงนิทศากาลทางจิตที่จะจัดให้มีขึ้นนั้นมุ่งที่จะพิสูจน์ตามหลักวิชาข้อนี้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ น, นั้นเป็นอัตตาที่มีรูปมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง กลับสูดเรื่องโอปปาติกะสภาพของชีวิตโอปปาติกะมีอยู่อย่างไรและเกิดมาได้อย่างไรเขาพ่อจะได้กล่าวมาแล้วโดยสังเขปพร้อมทั้งอ้างหลักฐานจากคำทีซึ่งผู้ที่เชื่อคำทีก็ย่อมจะเชื่อว่าโอปปาติกะนั้นมีจริงแต่การเชื่อแบบนั้นเป็นการเชื่อตามตำรา สนผู้ที่ไม่ต้องการจะฝากความเชื่อไว้กับตองราแต่ต้องการจะเชื่อด้วยข้อเท็จจริงนั้นเขตผลเท่าที่อ้างมาไม่พอที่จะทําให้เชื่อถือได้และก็อาจจะเกิดปัญหาอีกว่าผู้ที่เชื่อเรื่องนี้ได้สนิทนั้นเขามีข้อพิสูจน์อย่างไรเห็นข้อเท็จจริงอะไรจึงได้ลงความเห็นว่าผีสารเทวดามีจริง ท่านนั้นเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าจะได้ชี้ให้ท่านเห็นว่าเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนาได้มีการที่สูจนอย่างไรก่อนอื่นขอให้ท่านผู้อ่านได้ย้อนไปยึดถึงข้อความในอ ป, ปันนักาสูตรที่ได้อ้างมาแล้วว่าผู้ใดมีวาทะหรือความเห็นดังต่อไป น, นี้แล้วเป็นวิชาชีติกล่าวคือ เห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญยามักผลด้านนิพพานกระทําให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญยาแล้วสอนให้คนอื่นรู้ด้วยไม่มีคือเห็นว่าผู้หมดกิเลสเป็นผ้ารหาหันไม่มีหรือผู้ที่สาเร็จอภิญญา สามารถที่จะรู้เรื่องนรกสวรรค์และสามารถที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นเจณจาติดต่อกับโอภาติกาและมีอิทธิปฏิหารอื่นๆอีกไม่มีเพราะขิดวิสัยธรรมชาตินัทิโลเกสมณะพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนา เยอ่มันชะโลกังพรลันชะโลกังสยยงอภิญญาสักกิกะทวาาเวเทนติอภิญญาแปลว่าความรู้ชั้นสูงซูเปอร์นอร์มอลนอเลจมีอยู่หกอย่างคือหนึ่งอิทธิวิธีการแสดงอิทธิปฏิหารต่างต่างสองทิพยะตโสดผูทิศ ซึ่งสา ม, มารถที่จะฟังเสียงที่เบาหรือเสียงที่ไกลเกินกว่าหุธรรมดาได้ฟังเสียงของพวกโอปรปราติกาได้ 3. เจโตปริยญาญ ย, ยานที่ทำให้อ่านใจผู้อื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสถิยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. จุตูปปาตายาน ยานที่ทําให้เกิดตาทิศซึ่งสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่อยู่ไกลสิ่งที่ปิดบังได้ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นและสามารถเห็นพวกโอปปะปิกะได้เจรจาติดต่อกันได้และสามารถรู้เรื่องกรรมเรื่องปฏิสนธิได้เป็นอย่างดีหกอาสวัคข ย, ยาน ยานที่ทําให้อสวะกิเลตหมดทิ้นจากสันดานคําว่าประทำให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญานั้นหมายความว่าผู้ที่ได้บรรลุอภิญญาเหล่านี้จะรู้เรื่องโลกนี้และโลกอื่นเช่นโลกของโอปปะติกะได้เป็นอย่างดีชอบเป็นการรู้แจ้งด้วยตาทิพหูทิพ ด้วยเจโตปริย า, ยานและด้วยยานอื่นๆอีกเครื่องมือเหล่านี้แหละที่จะช่วยทําให้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแจ่มแจ้งรู้โดยมีประสบการณ์อันหนึง่งพึงเข้าใจไว้ด้วยว่าผู้ที่ได้พิญญาเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นในสมัยครั้งพุทธกาล ผู้ที่ได้บรรลุอภิญญาทั้งหกมีจำนวนมากมายและโดยเฉพาะอภิญญาข้อที่หนึ่งถึงห้าเป็นอภิญญาชั้นโลกิยะคนธรรมดาซึ่งยังละกิเลสไม่ได้ไม่ได้เป็นอริยบุคคลแต่ได้ฌานชั้นสูงก็สามารถบรรลุได้ดังเช่นพวกอศีิโยคีซึ่งไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนา แต่ได้อพิญญาชั้นโลกียะก็มีจำนวนไม่น้อยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอหาได้ในอินเดียท่านผู้ใดได้อ่านหลักวิชาเหล่านี้และเข้าใจได้เป็นอย่างดีเรื่องโอปาปชิกะก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้นั้นและจากหลักที่อ้างมานี้ท่านก็จะเห็นว่า ทางพระพุทธศาสนารู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ดีสำหรับท่านที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาอย่างลึกซึ้นไม่เคยเห็นตัวอย่างบุคคลที่ได้บรรลุอภิญามืก่อนประกอบทั้งไม่มีพื้นที่จะเข้าใจและเชื่อเรื่องเหล่านี้ด้วยก็จะลงความเห็นว่าหลักวิชาที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้ คนเราจะมีความสามารถเป็นพิเศษถึงเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ชอบผิดธรรมชาติฉะนั้นสำหรับบุคคลที่มีความเห็นเช่นนี้จึงเป็นการยากมากที่จะทําให้เชื่อว่าเรื่องอันผิดวิสัยธรรมดาเช่นนั้นมีได้เว้นไว้แต่เขาจะได้เห็นบุคคลที่ทําได้จริงตามหลักวิชา ด้วยตัวเ ข, เขาเองเท่านั้นเขาจึงจะเชื่อได้อันหนึ่งเพิ่งเข้าใจไว้อีกอย่างหนึ่งว่าหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องอาิญานั้นแม้แต่จะศึกษาแต่เพียงในทางทฤษฎีอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจส่วนการที่จะให้เห็นแจ้งด้วยตนเองจริงๆต้องอาศัยการปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้เวลานานนับเป็นปีและบุคคลที่จะปฏิบัติได้นอกจากจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอย่างดีแล้วยังจะต้องอาศัยพื้นคุณธรรมและความรู้อย่างเพียงพออีกด้วยซึ่งบุคคลประเภทนี้หาได้ยากด้วยเหตุนี้บุคคลที่บรรลุอภิญญาณจึงหากันไม่พบที่มีบ้างก็ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับเรื่องเหล่านี้ได้เสื่อมมานานตามกาลเวลาครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนเรื่องเหล่านี้ให้ได้ผลจริงๆก็หายากแต่อย่างไรก็ดีเรื่องเหล่านี้กำลังจะได้รับการฟื้นฟูกันขึ้นมาใหม่ไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยแต่หมายถึงในต่างประเทศ ก็ได้มีนักศึกษาคนควาในเรื่องนี้กันมากเข้าใจว่าในไม่ช้าเรื่องลี้ลับเหล่านี้เขาจะถูกเปิดเผยกันมากขึ้นคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นด้วยผู้ที่รู้แจ้งเรื่องโอปปาติกาได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่จะรู้แจ้งเรื่องโอปปาติกา ติดต่อกับโอปปจิกะได้นานจะต้องได้ปัญญาและผู้ที่จะได้ปัญญาจะต้องฝึกสมาธิจนได้ชั้นสูงทั้งจะต้องมีความชำนาญในการเข้าสมาธิได้รวด เ, เร็วและชำนาญในเรื่องอือ่นออีกหลายอย่างซึ่งเรื่องเหล่านี้มีรายละเอียดมากไม่อาจจะนำมาเขียนไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้ได้ เพราะในหนังสือเล่มนี้มีความประสงค์แต่เพียงจะชี้เห็นโดยทางหลักวิชาว่าโอปปปฏิกะมีได้อย่างไรและด้วยวิธีการอย่างไรจึงจะรู้หรือติดต่อกับโอปปปฏิกะได้วัตถุประสงค์สำคัญของหนังสือเล่มนี้มีอยู่อย่างนี้ฉะนั้น จึงเว้นที่จะไม่กล่าวเรื่องหลักวิชาที่เกี่ยวกับสมาธิอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นประเด็นที่สําคัญในอันที่จะทำให้เข้าใจเรื่องโอปปะปิกาแจ่มแจ่งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้นักศึกษาโปรดพิจารณาข้อความจากเรื่องมโนโมยิทธิตอนหนึ่งซึ่งทัพพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ ภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยีโยนปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแต่การงานน้ำรงอยู่มั่นคงไม่ ว, ไวันไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อเจนอรมิตรกายที่สาเร็จด้วยใจ เธอย่อมดารมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายไม่ได้ซึ่งกายที่นารมิตขึ้นนานเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบช้่วมีอินทรียบริบูรณ์คือมีอวัยะภายในครบทุกอย่างมหาราชะเปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจากหญ้าปล่องฉะนั้นจากสามัญยผละสูตร ข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์ตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูถึงเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะและผลแห่งการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ว่ามีผลอย่างไรบ้างจากข้อความที่อ้างมานี้ขอให้สังเกตเป็นพิเศษและได้โปรดนําไปเปรียบเทียบ กับข้อความที่พระองค์ตรัสถึงสภาพอย่างรูปของโอปปาิกะการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจเป็นชะไหนอัตราใดหนึ่งซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจสองมีอวิวะน้อยใหญ่ครบช่วนสามมีอินทรียบริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่า การได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจจงสังเกตว่าผู้ที่ตายไปเกิดเป็นโอปปติกากายที่เกิดนั้นเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์และผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงก็สามารถเจนอรมิตกายซึ่งมีรูปร่าง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 สองเป็นกามาพจรสามมีกวะลิงการาหารเป็นภักษาจากธรรมชารสูตรกายคิปในที่นี้ก็หมายถึงรูปกายของโอปปาปติกาซึ่งเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจเหมือนกันยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากายที่สำเร็จด้วยใจ น, นั้นบางทีก็เรียกว่ากายคิป